ยี่เดือนเก้าขึ้นสิบคำเรียกว่าผ่านก็มา2 0่ีวันเกือบจะเดือนก็มุ่งทำกิจ ตามหลักศาสนาวัตถุวั ด, ววดที่ผ่านมาก็ก็มีกิจวัตรแต่การนำบทวดมนมาสวดต่างกันสุดแต่คนชอบธรรมะบทใดเอาธรรมะบทนั้นมาสวดถือว่า เป็นธรรมะและเป็นยาที่รักษาโรคใจการโรคกายที่ประเจ้ากรรมคือไกวีเส ท, ที่ให้เรานำเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ อาศัยยาอันเป็นตัวยาที่ก็สมุนไพรสมัยนี้แท้จริงก็ต้นไม้หล า, านชนิดผู้ที่เคยผ่านทดลองแต่เราสังเกตเหตุการณ์้องสิ่งไม่รู้ วเวลามันไม่สบายน้ำมูกไหลเขาเคยเห็นมันไปกินใบไม้นั้นใบนั้นแก้หวัดได้ก็รักษาพวกในกายของมันหายได้ดบางสัตว์บางชนิดขนของมันน่ะป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนธรรมชาติ เป็นเครื่องสอนให้ช่วยตนเองได้มันเกิดมาช่วยตนเองได้แล้วมันก็ช่วยได้ไปตามหลักของมันเองไปตามกฎแห่งกรรมที่จะรักษาโรคไปให้หายแค่ในมนุษย์เราเนี่ยโมราณก็เหมือนกันเลย การแพทย์ยังไม่เจริญพอก็ว่าไว้ตามความคิดความเห็นที่ผ่านมาหมายความว่าตัวบุญหนุนในความคิดความเห็นที่ถูกต้องแก้ไขได้ภาษาธรรมะเรียกาสัมมาทิฏฐิครับเห็นถูกต้อง ตัวสัมมาทิฏฐินี่นคือตัวบุญบุญยังช่วยบัรเบาบันเทาความทุกข์ด้วยสิ่ ง, งต่างๆแต่เราทำไมไปเที่ยวบ้างนิดๆหน่อยๆนั้นเกิดอุปสรรคอันตรายนิดๆหน่อยๆเหมือนกัน ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายาคนนมูดคูดเท้าดินเอามารักษาของหายมูดคูดเท้าดินนนี้บางทีท่านเราไม่ต้องประเคนก็ได้มันเป็นของเร ทำกับปยเอามันไม่มีใครจะประเคนได้การอธิษฐานเรามันเป็นัวยาเป็นปีศาอันหนึง่งที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่มีเกี่ยวกับเจ้าของเป็นของกลางที่ท่านพันยาตรัสหลักธรรมที่ไม่ถือกับถือกรรมาติ์ของบุคคลอื่นเพื่อให้เขาให แต่สิ่งที่ไม่มีขคยึดครองเราถือเอาตามภาษาธรรมะเป็นยาเพื่อรักษาโรคไม่มาทรงอยู่ได้ก็าหายเหมือนกันอีกพ mm hmm. ระอุปัชฌาย์ถึงบอกอนุศาสตร์แปลว่าตามสอนปูติมุตเเปสจังลิซายาภาะชาตตะาะเตยาวาจิวั ง, วงวอุซาโวการณิโย อดีเรก็ได้ปูโกมังกับปุิกังโก้เสยยังกับบารังซานังปังกังเองขั้นต้นปูติมุตเตเพศจังมูดคูดแต่เรามีธรรมะคือสติแก้ไขทันทีตัวสตินี่คือปัญญาสำคัญตั้งแต่ตัวสติเนปักการักษาตนได้ ธรรมะคำสอนในทางศาสนาท่านก็ผ่านการปฏิบัติแ ล, ล้วเลรับผลมาท่านจึงตรัสให้สาวกันปฏิบัติสืบต่อกันไปจึงเป็นพุทธทานาอนุญาตอนุญาตไว้เหมือนบทชวนบนกันน่ นี่เคยไปนำไปส่วนมน์บางคนสวดบทจังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจยุแต่ถ้าสติสัมพูชององค์เห่งปัญญาเมลาคนป่วยไข้แต่เราต้องเตรียมไว้สวดให้ได้บางทีเราไม่เคยสวดองค์เดียวก็สวดไม่ได้เราต้องจำแม่นยำ แล้วเสียงนั้นผ่านเข้าสรราาู่ตรประสาทก็เคยนีนอยู่มาในานานหายบางคนก็หายครับหายอยู่สักรายปีถึงถึงแก่กรรมแต่ถ้าว่าสัางขารร่างกายมันขั้นสำนวนวีในอติจิฉาแก้ไขไม่ได้ในสมัย น, นี้ก็ขั้นโคมา่าหรือว่า ข้าวห้อง ICU ICU ช่วยหายใจใเท่านั้นนี่เคยไปมีสติีคนึงมีกระตายดีเรื่อมใสหลวงปู่ตรงพอน้อยหลวงพอน้อยคือท่านปอเฟื่องวัณณุการามไม่รู้สึกตั้งหลาหลาเป็นเดือนเดือน ไปก็ไม่แผ่ไม่ตารู้สึกที่ดังจะรู้ขึ้นมาเอกคนหนึ่งเป็นดอก่าพรุนเนี่ยน้อยอยู่วะเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเลยนีไ่ไปสวดๆว ด, วดยังลืมตา สวดสติปัฏานโปรดชงหิติปิโสลืมตาแต่ว่าสาิีราทางกายมันขั้นโกมาแลว้วมันรักษาโรกใจค ร, รคกกายมันรักษาไม่ได้แลว้วแตาไม่ใจเขาดีขึ้นมา ถาพิจารณาเนะ่มีใจนะั้นมีไปสู่สุคติคือสติที่ดีเราไปสวดพุดทธคุณธรรมคุณชังกัุคุณสติประทานผู้ชงมันก่อนเขาก่อนเขาก่อนครั้งก่อนสองห้าสี่สงฝรั่งแล้วก็ สวดพุทธคุณนี่แหละแต่เราเพ่งถึงหลักธรรมที่เรานำมาฟอ ก, ก จ, จิตใจว่าเรายังเป็นอยู่ดีอยู่เวลานี้เราสั่งสมความดีให้ดวงใจของเรามีธรรมะให้ความอบอุ่น ไม่ทำให้จิตของเราไม่เสียใจไปรับเรื่องราวต่างๆเขาได้สัญญาอารมณ์ภายนอกเราตึงทำเครื่องกั้นในกั้นต้นกั้นไม่อารมณ์เข้าเหมือนกับเรือเราไม่อน้ำมันเข้า นั่งไปได้ถ้ามันร่วนอุดอุดเรือครับวิทย์น้ำในเรือด้วยกระแสความไม่ดีที่จะเข้ารบวนเข้าสู่หัวใจของเราเราก็หาวิธีกั้นที่เราสวนมน พดชมเจ็ดข้อนิดถือเอาเนื้อหาย่อๆครับภาวิตาโมริกาตาพิญญาญาสัมบูธายะนิพานายะสังวัฏฐิต ภาวิตาคือทาให้มันเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งในขั้นต้นเลกกั้นอารมณ์ไม่เข้าสู่ใจท่านก็ใช้ความสังวรธรรมในข้อธรรมที่สมเด็จมหาที่สมเด็จประัาง สมเด็จพระมหาสมัยเจ้ากรมพรยาวชวิญาณาวรูรสที่ทรงรดนา่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดสำรวมอินทรีย์กวีวิตริสำรวมก็สังวรธรรมทำเป็นเครื่องกัน้นไม่กรรมวิตกเข้าสู่ใจ เหมือนน้ำไม่เข้าเรือเรือไม่จมแต่เราใช้เอาเรือสู้คลื่นอกีกทำไมเดียวเรื อ, ร อ, รอแตกใช้ความเพียรความพยายามที่เรามีความเพียรมีสติไม่ตก อ, อกตกใจ ความกลัวไม่มีต้องเสียสละต้องเสียสละธรรมะตัววิริยะวิริยะโพชมงก็เสียสะละแต่ ว, ว่าภาวีตาภาวิตาต้องทำให้มันเป็นพร้อมขององค์ วิรยะความเพียนวิรยะปารภความเพียนปรารภมากือเดินทำทำหน้าที่ตัวภาวนานะทำจิตของเราให้มีสติสติรู้รู้รมหม้ใจ ในจิตของเราอยู่กับลมหายใจไม่เสียสายไปในอารมณ์ภายนอกบทที่ท่านสอนทอยไว้ว่าที่ตั้งมันว่าไม่คำนึงสิ่งที่ร่วงแล้วตัดไปเลยอนาคตยังไม่ถึงอย่าไปคหนึงถึงทําจิตให้มีสติอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอนาปานาสะติ ในอนุสติสิบเราจะเลือกบทไหนก็ได้ครับพุทธานุสติเราเลืกถึงคุณของเราพระพุทธเจ้าก็ได้จิตมันรู้อยู่กับลมหายใจที่เราภาวนาพุทโธเขาเรียก บ, บริกรรมนึกบริกรรมพุทข้าวออกโทพุทข้าออกธูเ ข, า, ออขาเรียก บ, บริกรรม บทนึกะวิตกะตรึกถ้าจิตมันอยู่แนบสนิทกับลมหายใจพุทธะคือรู้ลมหายใจพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้ลมหายใจลมนี้เป็นเครื่องแต่งกายใ ห, ใ, ห ใ, หให้สบายครับถึงตาอธิบายลมเดินทั่วทั้งาังกาย ร่างกายจึงสบายอหานของธรรมะคือลมหายใจร่างกายนอกจากอาหารที่เราท่านทั้งหลายผ่านการิงกระหารที่เราทำเป็นกรกรมกผ่านมุกวัววนทางปากคุกเรา้ากคืนปางเไปไปท่อ ต้อของอาหาริฟรธาตุก็ย่อยเตโชธาตุย่อยไม่ใช่เล่นนะเตโชธาตุทัานจึงอธิบายเป็นจักรทันสมกันเหมือนเครื่องยนต์กลไกมันเดินตะระรเดินด้วยไม่หยุดเปลี่ยนแต่คุณหารนี่เคยไปสวดมนต์ก็ ทำเม้นเครื่องบินที่มันบินจากชิทนี้ไปเมืองไทยแปดชั่วโมงกว่าๆไม่ใช่เล่นนเครื่องเครื่องยนต์ของเขาดีเขาทําดีอมีาตาขณนี้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยถ้าเราทําบุญไว่มากมันโน่นมันเครื่องยนต์ดีมันไม่ใช่เดินเดินตลอดชีวิตนะครับเต่โชทานมันทํางานตลอดชีวิตลองคิดดูดิครับ ใครอายุถึงร้อยปีก็ทำถึงร้อยปีไม่หยุดความรดกจันของรูปปัจจันที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี่แต่เราไม่เพิ่มเสริมตาตาตากระทุ้ตาตโพธิสัตว์ตาเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบเราเชื่อมั่นทำตาวิตาเจริญเบารีก็ตาทำให้มันมาก มันทำแต่เราก็เปลี่ยนยิรงยาบทเราทำอยู่นิดในจิตของเรากําหนดรู้รวมหมายใจแค่เราทำไปทาไปวิธีอย่างพุท ธ, ธาและฤกคุณของพระพุธธทธเจ้าธรรมานุสตริระลึกถึงพระธรรมพระธรกันตังสอนที่ท่านตรัสเป็นอุบายที่จะให้ใจของเราสบาย บางท่านเขาบอสังวรธรรมบศิลธรรมบังขันติธรรมบังปัญญาธรรมบังไมันเกิดขึ้นมาบำเพ็ญภาวนาหรือสังขารุ้สติก็ได้มีสติไปในวัฏฏศาสนาที่ดำรงคงอยู่สืบมาจนการลำบัดนี้เพราะพระอรยิยสงฆ์ อยางวัะอาโสการาท่านทำพระอุปคุตเทวาอุตราโสนะอย่างนี้ไม่ใช่หรือนสมัยนั้น่าจะวางรากฐานของเรื่องของศาสนาแต่เราพิจารณาเห็นคุณความดีของผู้สืบต่ออายุ ป, ปะพุษศาสนา เราทำเล็กเล็กน้อยน้อยเราก็พยายามทำความเพียรในมากจิตของเราตั้งสมเก็บมันเก็บอยู่รื่อยแต่เราผ่านทางหูผ่านทางตาหลักธรรมที่เราศึกษามาเรานำมาพิจารณา สังขารนุสติทีรานุสติศีลเขาเรื่มใสในความเป็นอยู่ของเราทุกท่านยอมเสียสละวันนลงพ่อว่าเอออยู่เป็นกะลาวาดอหาเนเย็นๆย็นท้องโมงอานเย็นคำา้องเอจะทนได้ไหมพอข้ามาอยู่ม่นทนได้อะ ผมเคยถามพระบวชใหม่ๆไม่อิ่วไม่โวยอ่ะนี่ธรรมโะโภกีตัวสติคุมจิตให้อยู่กับการปฏิบัติธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นดังที่กล่าวนี้ก็เป็นธรรมานุสติสังคานุติพระสงฆ์ท่านดำรงไว้เราไปกราบไปไหว้ท่านสืบต่ออายุกับุทธศาสนาอย่างในประเทศอินเดีย ประเทศสีลังกาพระพุทธโกษาจาร์มาจากประเทศอินเดียสมัยนั้น เ, เรือเรือทุงโพนกับคุ้งคุ้ไกลก็ยังไม่อนเต็มก็ท่านอธิษฐานอะ่ะขออย่ายมีคลื่นลมเออเดินเรียบฝั่งก็ได้ก็เลยถึงประเทศสีลังกา ท่านต้องการแปลประตบิดกแต่อาจารย์ให้แต่งเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอเป็นข้อปฏิบัติมันอย่างเรามีศีลปรากแก้วของของผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนตอนไหม้รากแก้วมันอย่างลึก เมืันก็ทรงนาต้นศาสนาของเราเหมือนกันเรามีรากแก้วที่เราสวดปาฏิโมกเป็นรากแก้วคนอื่นคิดอย่างไรทําใจเขาปฏิบัติกันมาสวดปาฏิโมกเป็นรากแก้วของศาสนาขอปฏิบัติเล็กๆกน้อยๆที่เราปฏิบัติกันอยู่ในบัตรนี้แหละเป็นรากฝอยนําอาหารมาโรยที่ยังชีวิตที่เป็นอยู่โดยอาหาร เราคิดดูนะคนที่มีสตาง ธ, ธาเลื่อมใสเขาตั้งใจเมื่อกี้ครับแอบเอ็นดวงครัวเห็นคนสองคนเขาจัดนูน่นจัดนี่คือก็มีหน้าที่ได้ต้องจัดอาหารไว้สวายพระอย่างพุกนี้น้ําใจที่เลื่อมใสในพระศาสนานี่ตัวสตางค์แต่เราแต่งกิตของเราดังที่กล่าวนี้สติ วิริยะคือความเพียนถ้าจิตสงบเไรใจมันอยู่กับลมหายใจมีองค์มีองค์มีการบริกรรมมีพุโทโธ ร, รู้รู้รู้ไห ม, มใจจิต ก, ก็แน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งมันมากข้ามมากสว่างเหมือนแสงเทียนปัญญามันเกิด เหมือนเราจุดเทียนอย่างไฟฟ้าหลอดมันเล็กแต่หลอดใหญ่ดวงใหญ่มันก็สว่างความดีตัวปัญญาอภิญญารู้ยิ่งกันตอนเรารู้ว่าจิตเราสงบในหัวใจของเรา แต่มาการททบสิ่งท่างอะไรรูปมาผ่านทางสายตามันกระเพื่อมเมน้ำในองค์ในไอเดียมิลมพัดมันกระเพื่อมรู้เอามือไปแกะมันกมันกรเพื่อมคุณมันมีตัวตัวขี่คุณที่นอนตะกรอนตัวขี้เรศคือราคะเหมือนกันตรงนั้นในขั้นต้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติว่าสํารวมระวัง สำำวมตาไม่ดูสำรวมหูอันนี้ก็ยากนแต่เรามีธรรมะขึ้นมาสมัมนี้ก็มีที่แอ่ม่รับเสียงทรรมานไม่ให้ไม่ขึ้นเสียงขึ้นมาแต่เรามีสติ สติสตินสตินทรีกับเป็นเป็นใหญ่กั้นเป็นเกลื่อนกั้นกระแสเสียงแม่เข้าสู่หัวใจแต่ว่าเสียงที่เป็นธรรมมันก็เข้ามันเข้าได้ะลรดมีกั้นด้วยวิธีการปฏิบัติ ดำเนินตามก็เดียปิดตาปิดหูปิดตาสองข้างปิดหูเสียบ้างอะไรอย่างนี้มันลิงเดี๋ยวก็ปิดปิดจมูกอกีกมีสติสำมรวมหากิน ยินที่ไหนไกลก็ได้ยินยิ่งเงียบเข้าดินมันมีเสียงก็เหมือนกันยิ่งเสียงไกลไกลน้อยเงียบไกลเรียว่าเสียงทิพสูตรทิพหูทิพยิ่งอยู่เงียบเท่าไรมากยิ่งเราจเจริญธรรมมากเข้ามันจิตนี้มันัยครับ ฟังได้เสียงใจแล้วสํารวมใจสมบัติสร้างมุตตพิกุสํารวมทั้งหมดทั้งหกทวารมันพ้นมันออรอมน้อหมดไปหมดไปหมดไปไมีแต่ความดีมีแต่คุณธรรมเกิดขึ้นแสงสว่างปัญญาเกิดขึ้นในดวงจิต พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดในสัจจะธรรมในสัจจธรรมที่ว่าทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคนำตัวสัจจะธรรมถ้าเข้าใจสัจจะธรรมจริตของเราก็บรรลุธรรมเห็นธรรมขึ้นมา ขาเปริวัติเป็นไปในสี่อย่างนี่นี่ทุก<ม>นี่สมุทยัยนี่นิโรดนี้มรรคตัวสัจจยานสัจจญานสี่ที่เป็นไปในปริวัติสี่ทุกสมุทยัยนิโรดมรรคพร้อมกันเลยครับมันเกี่ยวเนื่องกันหมดพูดอันเดียวไม่ได้ มันในด้านกายของเราเนี่ยทุกชวนที่สามาธิกันเราอยู่ได้สบายที่เรามืนมันมีทุกอก่าเรามองไม่เคยเห็นเพราะความสามาธิกลมเกี่ยวเป็นน้ําหนึ่งไอเดียวกันในด้านกายของเราเนี่ยถืนว่ายโยาธาตก็ดีเตโชาธาดีอาปูาธาดี ปฏิวิทาัตกด็ดีอากาศธาตุวิญญาณธาตุสมาธิโมงทีทำให้ร่างกายนี้ทรงอยู่ได้แต่เราพิจารณาเห็นภาตุออสิบแปดสบเอสักว่าธาตุความแข็งเกร่งของของร่างกายมันพร้อมกันหมด ฉะนั้นที่เราจะเดินกรรมฐานหนึ่งสมณสมถธธรรมสมถธธรรมทำติดต่อกันไปไม่ขาดและยากวักตนเราดูดีบทอันใดก็ได้ทั้งนั้นก็สำคัญเรามีตาตาตาตาตาโพดิตตาเชื่อ ในกนรรมนของพระเจ้าละสึงที่ควรละรู้เลยมันก็ดับไปเหมือนเรารู้ไฟมันปิดสวิตช์ตรงไหนก็ปิด ป, ปิดก็ดับเท่านั้นแต่ปิดไม่ถูกก็ไม่ดับรู้ต้นตอของเหตุเช่นทุก ทุกขังท่านบอกทนไม่ได้ทางกายก็ไหวต้องกระเยือนต้องกายเปลี่ยนถ้าเยือนไม่หายก็ต้องไปหาหนายแพทย์เลี้ยวยารักษาเชราอีกชาติชาติทุกข์ เราเกิดมากั บ, กบทุกพยานทีทุกทุกของร่างกายความหิ้วโราก็ช้นบินดาบยาโยมทานานตงตลอดชีวิตเลยนี่ยเพราะว่ามันเป็นมีรูประกันอยู่ต้องรักษามันต้องแก้มันแต่เราต้องแก้ไม่ให้เกิดไม่แม่เกิด เป็นตัวตัวผลมากอีกต่อไปท่านจึงกล้าพยหามมากครับมักขัสัตความจริงตัวตัวมักขัสสัตมากไปไปทําลายตัวสมุทัยสัตเหมือนเรากุดรากต้นไม้ต้นไม้ก็ตายเราไปขุดรากของสมุทัยสัต นิโรธคือความดับปือผลของการปฏิบัติก็ดับผลของการปฏิบัติธรรมใคล้ๆว่ามรรคสมบูรณ์แล้วไม่เกิดแล้วไม่เกิดเล ย, เเลยตัด ต้นโตของกิเลสตัวก <Yep. S 1> ิเลสมันเผาเรามันเผาไปเรื่อยเลยบางท่านไฟดำทุ่งอักคีิปาวโกนราคะกินาไฟคือราคะเผากันไปตโตโตโต ก็ารับกไฟลำพุแต่เรายังไม่หมดกิเลสเกิดเกิดไปเกิดเกิดก็ทุกข์อีกเป็นรูปประคันก็ทุกข์เพราะเป็นตัวผลของของสมุทย เพราะว่าสิยงต่ยุแย่ดึงดูดให้เราไปตามทีเด็มันมีมากมันมีมากแต่เราปฏิบัติตามมรรคสัพมรรคมีองค์แปดสมา ท, ทิเห็นชอบเห็นความดีทั้งหลายที่เราต้องบำเพ็ญเราบำเพ็ญความดีมันเต็มเต็มในดวงใจเรา มันน้ำนิดหน่อยน้ำกุนใสน้ำใสมากก็กลายเป็นน้ำใสหมดเราจะมองเห็นความเป็นจริงของรู ป, ปรกายอยางนี้แต่ว่าการภาวนานั้นคือทำจิตมันมันตื่ น, นมีสติคุมจิตอยู่ติดต่อกันไปจนเกิด ฌานโผตัวชานั้นมีอารมณ์กข้ามมันเผหมดเสียงก็ว่ามันคือชั้นเป็นชั้นชั้นยิ่งเป็นเป็นสูดาบันกิเลสก็นั้ข น, นขาดสบั้นไปเลยการไปยธดมัน่นถือมั่นในรูปอาการสบั้นไปเลยไม่มี วจกิจจก็ไม่สงสัยพุทธะพระพุทธเจ้าบัตรบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงโป ร, โปรขึ้นเห็นโลกทรงแสดงธรรมให้สัตว์พ้นจากความทุกขั น, นี้ไม่มีสัตวาใดในโลกที่เช่นกับพระพุทธเจ้าของเราของเดียวนี้เขากำมังค้นป้าต้นตอของเหตุผลที่ให้เกิดมา ที่เราทุกอยู่ในปัจจุบันนี่แแต่พระพุทธเจ้าท่านตัดไปแล้วมักสัตย์ศึกษารู้ตัวปฏิบัติให้จบให้จบปริญญาขึ้นมาไม่มีความสงสัยแล ว, วิธีกิจาความสงสัยไม่มีเข้าไปครึ่งแล้วพระรายญาณบุคคล ทั้งยศเป็นสงเลยสีนับปตาประมานไม่เที่ยวรูปกรรมสีนก็เป็นศีนสี น, สนคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่โกกรรมทำเข็ฑ์เราไม่โกกรรมทำเข็ฑ์ไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นจะมาเบียดเบียนเรามาทำร้ายราเราเราไม่มีไม่ไม่กเบียนกกรร เราไม่ทำความชั่วเลยปานาอทินากาเมศสาจา์เพราะปฏิบัติเป็นเครื่องกัดกรอวิธีเครื่องกัดกลอเยอะมีมากเมืองเครื่องกัดของวัตถุภายนอกในทางรูกปนเครื่องกัดแต่ว่า พวกศีลพราะกัดมันเบาขึ้นมาภาระรามันเบาจึงเป็นพระโสดาปฏิมาเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาครับจิตมันพ้นจากความเห็นผิดอันนั้นแต่เราสงสัยเกี่ยวกับความเห็นผิดหมดความสงสัยเราเห็นถูกขึ้นมามันเราใช้อะไรได้ เมื่อเรายัางสงสัยทาไม่ได้หาหมูมาสอนให้เราก็เข้าใจ อ, อย่างนี้ออออย่างนี้ความดีก็อย่างนี้คิดเราหมดอะไร